เวลาพูดถึงความเจ็บป่วยเราก็มักจะนึกถึงโรคมะเร็งโรคหัวใจไตาวายเบาหวานเพราะว่าคนเป็นโรคที่กันเยอะแล้วก็จำนวนมากก็ล้มตายเพราะโรคเหล่านี้เรียกว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงที่เป็นสาเหตุการตายของผู้คนในยุคนี้แต่จริงแล้วนี่ยังมีอีกตัวหนึ่งนะซึ่งจะเรียกว่าเป็นตัวการที่น่ากลัวมากนะ ที่ทำให้ผู้คนล้มตายไม่ใช่อุบัติเหตุนะไม่ใช่สงครามนะไม่ใช่โรคเอดนะอกาอาจจะไม่ใช่โรคโควิดด้วยตัวการที่ว่านี่คือมลภาวะนะมลภาวะเนี่ยโดยเพราะในอากาศเนี่ยเป็นตัวการนะที่ทำให้คนตายเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ไม่น้อยเลยนะ นี่เขประมาณว่าเนี่ยปมคนตายเพราะมลภาวะทุกวันนี้เนี่ยปีละเก้าล้านคนนะและเป็นที่มาได้หลายปีแล้วนะในช่วงเจ็ดแปดปีที่แล้วนี่คนตายเพราะมลภาวะเนี่ยประมาณนี่แหละเกล้านคนหรือว่าบางรงายนักวิจัยบางอย่างก็ประมาณ6กเจดล้านคนนะก็ถือว่ามากเป็นจํานวนที่มากกว่า คนที่ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์มากกว่าตายเพราะเอดมาลาเรียหรือวัรณโรคตายมากกว่าสงครามนะแล้วก็อาจจะตายมากกว่าโควิดด้วยนะสองปีที่ผ่านมานี้ก็ตัวเลขทางการคนที่ตายเพราะโควิดประมาณหกล้านแต่เขาบอกว่าเนี่ยตายจริงๆอาจจะมากกว่านั้นสองสามเท่านะ ก็สมมติเป็นสิบแปดล้านในช่วงเกือบสามปีก็ยังน้อยกว่าตายเพราะมลภาวะนะสองปีสามปีนี่ก็ยี่สบกว่าล้านคนเข้าไปแล้วแล้วมลภาวะที่ว่าเนี่คือมลภาวะในอากาศนะมลภาวะในอากาศไม่ว่าจะเป็นพ m 2อมสองจุดห้าหรือว่าสารพิษอย่างพวก ตะกัวอย่างเงี้ยจากการเผาไหม้จากเครื่องจนทุกี่มันทำให้คนตายเพราะโรคปอดโรคต่างๆสารพัดเลยอันนี้เรียกว่าเป็นมัจจุราชที่คนมองข้ามนะคนไปกลัวมะเร็งคนไปกลัวโรคหัวใจกลัวโควดิดนะซึ่งก็ดีแล้วแต่ว่า กับมองข้ามเรื่องมลภาวะแล้วก็มันก็นับวันจะรุนแรงมากขึ้นแต่เมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวนะจะเรียกเป็นข่าวดีก็ได้ก็บอกว่าถ้าช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยวพราะในเมืองเนี่ย มันจะช่วยรักษาชีวิตคนได้มากมายทีเดียวนะเมืองใหญ่ๆเนี่ยที่ปลูกต้นไม้กันมากขึ้นไม่ใช่แค่ต้นไม้ยืนต้นอย่างเดียวนะไม้พุ่มนะมันก็สามารถจะช่วยลดการตายของคนแล้วก็ช่วยยืดอายุคนได้นะข้อไปศึกษา เมืองประมาณสามสิบห้าเมืองในอเมริกาแล้วก็เปรียบเทียบดูว่าเนี่ยเมืองเหล่านี้เนี่ยเมื่อมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นคนปลูกต้นไม้กันมากขึ้นมันทําให้การตายของคนนี่ลดลงไหมเพราะพบว่ามันในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อมีต้นไม้มากขึ้นพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเนี่ย คนในเมืองเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวว่าคนแก่คนชร า, านะตายน้อยลงประมาณว่าเนี่ยในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยการมีสวนการมีพื้นที่สีเขียวนี่มันช่วยรักษาชีวิตคนได้ถึงเกือบสี่หมื่นคนนะเดวยวเพราะคนที่มีอายุคนแก่นี่ตายน้อยลงนะเพราะนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะวาเนีย คนเรามักจะคิดว่าเนี่ยปลูกต้นไม้ไปมันก็แค่สวยงามหรือว่าอาจจะทำให้มีวิวทิ ว, วทัศน์นะดีอย่างมากก็ทำให้มีอากาศบริสุทธินะโอแต่ประโยชน์มันมากกว่า น, นั้นเยอะเลยก็มีหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยปลูกต้นไม้สร้างเพิ่มพื้นที่สีเขียวนี่มัน มันไม่ได้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เขาก็ยืนยันแล้วโอ้มันมีคุณค่ามากเลยนะมันช่วยรักษาชีวิตคนได้นี่มากมายทีเดียวทําไมมันถึงช่วยรักษาชีวิตคนได้นะเขบอกว่าต้นไม้เนี่ยไม่ว่าน้อยใหญ่เนี่ยมันช่วยกรองนะกรองพวกมลพิษพวกฝุ่นพวกตะกอนพวกสารที่เป็นอันตรายเนี่ยต้นไม้มันช่วยกรองนะ แล้วก็มันช่วยลดเสียงดังด้วยนะเสียงดังนี่ก็ทําให้เกิดความเครียดแต่ต้นไม้นี่ช่วยกรองเสียงแล้วก็ส่งเสริมให้คนเนี่ยออกกาลังกายนะคนเราพอเห็นพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้เยอะมันก็อยากจะออกกําลังกายแล้วช่วยทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจแต่จิตใจก็สัมพันธ์กับร่างกายได้ดีสั่งไวประการหนึ่งคือว่ามันช่วยลดความร้อน ท้าไม่เกิดความร่มเย็นตอนนี้ปัญหาโลกร้อนนี่มันรุนแรงมากขึ้นนะที่ผ่านมาอินเดียนี่บางเมืองเนี่ยร้อนถึงเกือบห้าสิบองศาเลยนะอย่าง น, น้อยก็สี่ิก้าองศาบ้านเรานี่สาสิบองศาเนี่ยสาสิบห้านี่ก็ถือว่าร้อนมากแล้วนะแต่นี่บางแห่งบางเมืองในอินเดียเนี่ยสี่สิบกว่าเกือบห้าสิบแต่ถ้ามีต้นไม้นี่มันช่วยลดความร้อนได้เรืบอลนี่ทั้งหมดเนี่ยคืออันที่สองที่ทําให้คนเนี่ย ตายน้อยลงแล้วก็มีอายุยืนมากขึ้นนี่ขนาดไม่ได้ปลูกเป็นป่านะแค่เป็นสวนสาธารณะไม้พุ่มมนี่ก็ช่วยได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องการปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวและในแง่ของชาวพุ่มเนี่ยต้นไม้เนี่ยนะมันก็มีส่วนในการสื่อทอดพุทธศาสนาด้วยเป็นจุดตั้งต้นของพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะว่าพราะเจ้านี่ก็ ประศูนตัศลุที่ใต้ต้นไม้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็บรรลุ ธ, ธรรมก็จากการบรรเป็นเพียนใต้ต้นไม้เมื่อช่วงวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมาที่ก็มีการเชิญชวนนะให้คนปลูกต้นไม้บูชาคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการตอบแทนบุญคุณต้นไม้ที่ช่วยทําให้พุทธศาสนาะจะเลย ง, งอกงามมาจนถึงทุกวันนี้ แล้วก็มีการชวนให้เวียนเทียนด้วยต้นไม้เพราะพบว่าคนสนใจนะมีนับร้อยวัดเลยนะที่หันมาเวียนเทียนกันด้วยต้นไม้ในปีนี้วิสาขาบูชาปีนี้แล้วก็ญาติโยมก็มาร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้เนี่ยสุกตนี่ก็ด้วยนะแล้วก็วัดในเครือข่ายแลเพราบว่าวัดในเมืองเนี่ยนะวัดใหญ่ๆเนี่ยวัดโพ วัดอรุณวัดสุทิหรือว่าวัดมาพทธาลามวัดรักงังวัดอรุณเนี่ยก็มีคนมาเวียนเทียนด้วยต้นไม้ทีแลน้วว่าเวียนเทียนด้วยต้นไม้เสร็จก็เอาต้นไม้คืนวัดหรือว่าเอาต้นไม้ถวายวัดแต่บอกว่าส่วนใหญ่นะเอากลับบ้านนะเอากลับบ้านแสดงว่าเนี่ยตั้งใจไปปลูก อันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตดีนะคนในเมืองคนกรุงเทมนี่เห็นความสําคัญของต้นไม้แล้วก็ถือว่าการเวียนเทียนในต้นไม้นี่มันเป็นสิริมงคลต่างว่าเราเอาต้นไม้เนี่ยมาร่วมเวียนเทียนนะในวันอื่นสําคัญวันอื่นๆด้วยนะเช่นวันอาสาฬบูชานะหรือว่าวันมาคาบูชายโอ้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะ อันนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมทั้งทางโลกและทางธรรมนะส่งเสริมทางโลกคือว่ามีต้นไม้ที่ทำให้มลภาวะน้อยลงสุขภาพดีขึ้นในทางธรรมคือว่ามันส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่สงบสงัดเป็นถิ่นรมณีนะถิ่นรมณีนี่ก็เป็นสิ่งที่พุทธศาสนาเน้นมากนะ เพราะว่ามันไม่ใช่แค่คำจุนความเป็นอยู่ของผู้คนแต่ว่ามันช่วยทําให้การปฏิบัติธรรมการเจริญภาวนาทั้งกิตภาวนาปัญญาภาวนานี่เจริญงอกงามมากขึ้น เ, เพราะฉะนั้นนี่ก็เรื่องปลูกต้นไม้เรื่องเพิ่มพื้นที่สีเขียวนี่มันเป็นเรื่องสําคัญเลยนะทั้งกับสุขภาพกายและสุขภาพใจของคนเร า, เ, าเพราะฉะนั้นก็ยิ่งในช่วงนี้นะฝนดีน้ําเยอะนะมันเป็นโอกาสนะที่จะช่วยกันปลูกต้นไม้กันมากๆ แล้วก็ให้ทำกันทุกปีทุกปีบอกลูกบอกหลานเพราะนี่คือจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องความเป็นความตายของโลกเลยทีเดียวเพราะว่าโลกตอนนี้กำลังวิกฤตินะปัญหาโลกร้อนเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราทาลายป่า ก, กันมากขึ้นเรายังมีเวลานะที่จะช่วยกันทำให้วิกฤตนี่มันบรรเทาเบาบางลง